อินทรียปัจจัยสี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤตโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทร สี <ersch> ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่กิตจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและท mmm ี่เป <comme S 1> <resulted in S 2> ็นอัพยากฤิโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรียที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สามประยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอินทรียาปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัย สภาวธรรมที่เป hmm. ็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยกฤตโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทฐานนรูปโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤตโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่เป็นอภิยกตวิบากและที่เป็นอภิยกระตะกิวิริยา เป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทริยปัจจัยในปฏิสนธิขณะอินทรีย์ที่เป็นอภยกตวิบากเป็นป language, ัจจัยแก่สัมประยุติขัน์และกัตตารูปโดยอินทริยปัจจัยจากขุนสีเป็นปัจจัยแก่จากขุวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยโสตินทรียเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยคาณินทรีย์เป็นปัจจัยแก่คาณวิญญาณ โดยอินทริยปัจจัยชิวหินสีเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยกายินทรียเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทรีย์ปัจจัยรูปปัจจีวิตินรียเป็นปัจจัยแก่กตาตตารูปโดยอินทริยปัจจั ย, าดดยจชานปัจจัยสี่้สเอด สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยชาณปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันโดยชาณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยชานปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยชาณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยกฤตโดยชาณปัจจัยได้แก่องค์ชาณที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยชานปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธารรมที่เป็นอกุศลโดยชาณปัจจัยได้แก่องค์ชาณที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันโดยชาณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยชาณปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยชานปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยชานปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยชานปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยชานปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่เป็นอภิยากตวิบากและที่เป็นอภิยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตะมุทานรูปโดยชานปัจจัยในปฏิสนธิขณะองค์ฌานที่เป็นอภิยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกตาตารูปโดยชานปัจจัย มัคคปัจจัี่้ยสามสสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยมัคปัจจัยได้แก่องค์มรคที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สามปยุติขันโดยมัคปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยมัคปัจจัยได้แก่องค์มรคที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตะมุทฐานรูปโดยมัคปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น <cor> อ <r ug> ัพยากฤตโดยมรรคปัจ <cure> จัยได้แก่องค์มรรคที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยมรรคปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยมรรคปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤะตโดยมรรคปัจจัยได้แก่องค์มัคที่เป็นอภิยกตวิบากและที่เป็นอัพยากระตะกิบริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขัน์และจิตตะมุทฐานารูปโดยมรรคปัจจัยในปฏิสนทิฆณะองค์มัคที่เป็นอภิยกตวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขัน์และกตตารูปโดยมรรคปัจจัย สัมปยุตตะปัจจัย433สภาวธ <stimulus> ร <lands> รมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยสัมปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสัมปยุตตะปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสัมปยุตตะปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสัมปยุตตะปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยสัมปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสัมปยุตตปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสัมปยุตตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสัมปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยสัมปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่ง ที่เป็นอพยายกาตาวิบากและที่เป็นอภยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสามประยุติแตปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสามปยุติแตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสามประยุติแตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นอภยากตาวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสามประยุติแตปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสามประยุติแตปัจจัย ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตาปัจจัย434สสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริโดยวิปยุตตาปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปัจฉาชาตะสหาชาตะได้แก่ขันที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยวิปยุตตาปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยวิปยุตตาปัจจัยมีสองอย่างคือ ส, ชชาชาสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นอกุศลเป็น Vikings, ปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉา ชาตะได้แก่ขันที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นอัพยากตรวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยา เป็นปัจจัยแก่จิตตธมุฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิตนทิขณะขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่กาตตารูปโดยวิปยุตตปัจจัยขันธ์เป็นปัจจัยแก่ขัทัยวัตถุโดยวิปยุตตาปัจจัยหัทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตาปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขาเยตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัย โสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยคานายะตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยชิวหายะตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยกายายะตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยวิปยุตตปัจจัยหัทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอภยกตกิริยา โดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอพยกตกิริยาเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยวิปยุตตาปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุที่เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลโดยวิปยุตตปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยวิปยุตตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หัตถายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลโดยวิปยุตตะปัจจัยอธิปัจจัย4ี่สสห้า สภาบธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอธิปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาติและปัจฉาชาตะ สหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามได้จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานอรูปโดยอธิป wow ัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานอรูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอธิปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัิยากริโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตาและปัจฉาชาตาสหชาตาได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตาได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่กายน้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตัมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและจิตตัมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตัมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปัจจัยมีหอยา่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียาสหชาตาได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอภิยากรตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่ง และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นอพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกตาตารูปโดยอธิปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและกตาตารูปโดยอธิปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกตาตารูปโดยอธิปัจจัย ขันเป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยอธิปัจจัยหัตถวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัย มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยอธิปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับปราวสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอธิปัจจัย มหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่พระอระหันต์เห็นแจ้งจักสุโดยสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะละคานะละชิวหาละกายละรูปละ เสียงละกลิ่นละรสละโพธาภะละอหไัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิปจกักกูฟังเสียงด้วยทิปโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จกักกวิญญาณโดยอธิปัจจัยสัทธายตนะละโพธาปลายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัย จักขายัตนะเป็นปัจจ the ัยแก่จักขวิญญาณโดยอธิปัจจัยโสตายัตนาเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณละคานายัตนาเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณละชิวหายัตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณละกายายัตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอธิปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอัพยกตกิริยาโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะ ได้แก่ขันที่เป็นอภยากตวิบากและที่เป็นอภยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทร์สีเป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่ พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสูตรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะละคาณะละชิวหาละกายละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละโภธาภะละหัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิพยจักรูปฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาต หาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลโดยอัธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอัธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมานตจึงเกิดขึ้น ยินดีเพื่อเพลินโสตะละคานะละจิวหาละกายละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละผูะะะะถะพระละหัยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพื่อเปลินโสตะเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นละโทมานต์จึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอกุศลโดยอัติปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปัจจัยมี2 อ, อย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาติได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลหัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยและขันสองและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปัจจัยมีสอย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นกุศลและมหาภูตารูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุัสหนรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นกุศลและกวาริงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นกุศลและรูปปัจจิวิตินทร์เป็นปัจจัยแก่กตาตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัย ขันสามและหัตถ a วัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอธิปัจจัยขันสองและหัตถ ay วัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจชาชาตะอาหาระและอินทรียะ สหชาตะได้แก่ข <mister isation> ัน <Kelvin> ท <and grace fictional> ี no ่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นอกุศลและกวเริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นอกุศลและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอธิปัจจัยนัิปัจจัย436 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนัตติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทึ่เ ก, กท เ, กเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยนัตติปจัจจัยในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงขยายพิตารณาเหมือนอนันต ร, ปร ะ, ตะประจัจจัยวิกาตปัจจัยส37 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยวิกตปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยวิกตปัจจัยในมือเล็บเจอในมือเลบพึงขยายพิจารณาเหมือนอันันตราปัจจัยอวิกตปัจจัยสี8ร้อย สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอวิคตปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอวิคตปจัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอวิคตปจัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอวิคตปจัจจัยในมงเลพยจ่อในมงเลพยพึงขยายพิจารณเหมือนอธิปัจจัยวิพังแห่งปัญหาวานจบ